ตอนนี้ถ้าหย่อนวันนี้นิดเดียวหย่อนเกินแล้วเกือบหย่อนละขอบคุณเจ้าค่ะนี่คนนี้จำเป็นจริงๆผ่านพรนานจนนิพิทาเกิดดีไม่ใช่ง่ายนะกลับในมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ ก, กลัวไหมกลัวไหมกลัวค่ะกลัวแล้วทายังไงกลัวก็รู้ว่ากลัวค่ะ oh.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 จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วจนป่านนี้ยังไม่ตายเลยนะหมอเนี่ยอายมากเลยหมอกราบนมัสการเดี๋ยวนี้<อ>เวลาหลวงพ่อไปเทศที่ไหนนะแกจะไปเป็นแฟนคลับก็เรียกใช่ไหมก็ เ, เรียกแฟนคลับใช่ไหมพี่ลึกภาษาเนี่แปลกจริงอา้าวกราบนมัสการครับอขอส่งกันบ้านในรอบแปดเดือน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 <l oss> เราถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้า à, ท่านสอนเราให้เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติส่วนจะดีจะไม่ดีก็ช่างขอให้ได้บูชาท่านเท่านั้นละพอแล้วเจ้าค่ะถ้าทําได้อย่างนี้นะสงบเร็วแต <l oss> <l oss> ่ทําทําด้วยความอยากอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ไม่สงบหรอกต้องเขีนไปเรื่อยๆนะเจ้าใช่เขีนเรื่อยๆอย่าท้อใจอย่าท้อใจ